ถ้าเขาามความดีมากๆพ่อแม่ที่ชั่วก็ดึงเขาลงนรกไม่ได้เขาต้องไปตามทางของเขาตามพระพุทธพทธิวะอัจจาหิอัจตโนคติตนนั่นแรลเป็นทางดำเนินของตนก็จะเห็นจะเห็นว่ากฎแห่งกรรมนั้นครอบครุม แล้วก็สําคัญต่อ ว, วิถีชีวิตเพียงใดนะครับท <c oughs> ีนี้ถ้าเลื่อว่าท่านวางชีวิตลงไปในหลักกรรมแล้วท่านจะไม่วุ่นวายกับมงคลภายนอกไม่วุ่นวายกับมงคลตื่นข่าวก็ไม่วุ่นวายกับสิ่งบรนดานภายนอกซึ่งมีมากมาย แล้วก็สับสนจนทําให้เวียนหัวแต่ส่วนมากก็แฝงมากับผลประโยชน์เป็นเงินเป็นทองเป็นชื่อเสียงทั้งสิบ <c oughs> สิ่งเหล่านี้นะครับ <c oughs> ทําให้ท่านสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองทําให้ท่านสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองเป็นอย่างมาก <c oughs> แล้วก็ทําให้ท่านอ่อนแอ ทำให้เลี้ยงไม่รู้จักโตพึ่งตัวเองไม่ได้ท่าน <c oughs> ถ้าท่านเป็นอย่างนี้ท่านเป็นคนน่าสงสารเพียงไรท่านลองนึกดู <c oughs> <c oughs> การให้พรของผู้ใหญ่ที่มีต่อเรานะเราไม่ปฏิเสธเพราะเรารู้ว่าเป็นความปรารถนาดีของท่าน พวกเราทุกคนนะครับมีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นอยากให้เขามีความสุขแล้วก็เปล่งวาจาออกไปก็เป็นธรรมข้อหนึ่งคคือเมตตาเราให้เมตตาแล้วก็รับเมตตากันอยู่เสมอเป็นคนละอย่างกับการสวดอ้อนวอนคาทีที่เราแสดงออกอย่างเมตตากาุณนาะ กับท่าที่ที่เราแสดงออกอย่างสวดอ้อนปวดไม่เหมือนกันสภาพจิตก็ไม่เหมือนกันท่าทีของเมตตาการุณาเป็นความอ่อนโยนนุ่มนวนลผ่อนคลาย <c oughs> แต่ท่าทีของการสวดอ้อนปวดขอลาบขอหยดหยิ่งขอยิ่งเครียด ยิ่งขอยิ่งเครียดเพราะเป็นการนำตัวเข้าไปเพราะเป็นการนำตัวเข้าไปพัวพันกับสิ่งที่เราไม่แน่ใจไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้แล้วก็ใจก็คอยจดจ่ออยู่กับเรื่องที่พยายามที่จะขอให้ได้ก็ไม่เป็นการปลดปล่อย แ้วทางของการดำเนินไปสู่อริยภูมิอริยภูมิคือภูมิของความเป็นอริยะหรือภูมิของพระอริยะนี้ถ้าจะทำอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสอนก็ต้องตั้งหลักไว้ว่าต้องการสิ่งใดต้องพยายามทาเหตุให้ตรงกับผลที่ต้องการแม่กาอย่างที่พูด บ่อยๆที่ผมพูดบ่อยๆเมื่อคือนก่อนนี่ก็พูดว่าสับฟิชเชียนคอสให้เป็นสับฟิชเชียนคอสคือให้มีเหตุที่เพียงพออันนั้นคือปริมาณของเหตุต้องเป็นเพียงพอแล้วก็เป็นเอฟฟิชเชียนคอสคุณภาพของเหตุก็ต้องเพียงพ อ, อให้มีความเพียงพอ ต้องการสิ่งใจต้องพยายามทาเองให้ตรงกับคนที่ต้องการแล้วก็ต้องให้เพียงพอคนก็จะเกิดตามขึ้นมาแต่จะเร็วหรือช้าสุดแล้วแต่เหตุปัจจัยอื่นๆที่จะเข้ามาเป็นตัวประกอบเพราะว่าชีวิตไม่ใช่สู่สำเร็จนะครับชีวิตไม่ใช่สตรสำเร็จชีวิตมีเงื่อนไขยอยู่เสมอ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นการทำความดีการทำอะไรก็แล้วแต่นะครับต้องพิจารณาถึงเงื่อนไขเรื่องกรรมเป็นเรื่องที่มีเงื่อนไขมากที่สุดศรัทธาศรั <c oughs> ทธากับปัญญาอขอร้องว่าให้ใช้ปัญญาให้มาก ่ามีศรัทธาแต่น้อยก็ไม่เป็นไรแต่ว่าให้ใช้ปัญญาให้มากหรือว่าพูดลงไปได้เลยว่าใช้ปัญญาใช้เหตุผลใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาชีวิตต่างๆดีกว่าศรัทธาในลักษณะที่อ่อนโกรแล้วท่านก็จะมีความสุขก็ประสบความสำเร็จแต่ถ้าตัวยังไม่สำเร็จก็ขอให้ท่องเอาไว้ว่าเหตุมันยังไม่เตียงพอ เหตุมันยังไม่พอ ต, ต้องทำเหตุให้พอทำเหตุให้พอแล้วผลก็ต้องเกิดขึ้นถึงไม่ต้องการผลผลมันต้องเกิดขึ้นถึงข้าวที่มันจะให้ผลก็ต้องปัดกันถึงถึงถึงกับต้องปัดกันไม่ต้องการผลแต่ผลมันต้องเกิดขึ้นท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับสำหรับวันนี้ขอ ยุติด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีเพิงมีแด่ท่านผู้ประทำรายการและท่านผู้ฟังโดยทั่วกันสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่โพลง่งทุกท่านครับนคือรายการธรรมและศาสนะชีวิตนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับผมว่าสิ่งนทัศระจะได้มาพบกับท่านผู้ฟังในรายการนี้ วันนี้เป็นวันศุกร์ที่สิบกันจายนสองพันห้าร้อยสี่สสองวันที่ 9, เก้าผ่านไปแล้ววันที่เก้าเดือนเก้า9ดืพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าก็ผ่านไปอนึงวันแล้วก็วไม่มีอะไรที่ไม่ดีเกิดขึ้น เพราะว่าวันเวลาหรือวันเดือนปีอไม่ดีไม่ชั่วในตัวของมันเองว่ามันจะดีจะชั่วก็เพราะว่าการกระทำของเราของมนุษย์เราถ้าเวลาใดวันใดเดือนใดทำดีวันนั้นก็เป็นวันดีถ้าวันใดเดือนใดปีใด ทำไม่ดีทำชั่ววันนั้นก็เป็นวันชั่วเพราะนั้นก็ขอกล่าวอาบอกญาติพี่น้องทั้งหลายไว้ว่าอย่าไปเจออะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องวันเกิดปีเพราะวันนั้นดีวันนี้ไม่ดีมันก็มันดีไม่มีดีไม่มีชั่วในตัวของมันเอง แต่ว่ามันจะดีใจชั่วก็เพราะการกระทำของอนุษย์เรวันไหนเราทําดีก็เป็นวันดีวันไหนเราทําไม่ดีก็เป็นวันไม่ดีเรื่องของทางพุทธเขก็บอกตรงไปตรงมาแบบเนี้นะครับสําหรับสัปดาห์นี้ก็น่าจะสรุสรุเรื่องศรัทธากับปัญญาแต่น้อยเด็ เ, เพื่อความสมบูรณ์ของเรื่องนี้ศรัทธาที่ถูกต้องนะครับจะต้องเป็นศรัทธาในพระเจนัดดยหรือในคุณของพระเจนัดจอยอย่างไม่งอนแง่ไม่คอนแคลดหรือว่าจะเป็นศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญา อ น, นี้เป็นศรัทธาที่ถูกต้องแล้วก็เชื่อมั่นลงไปในกรรมในผลของกรรมในกรรมมัสกายญาณคือความรู้ในเรื่องความที่สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนในกรรมมัสกายญาณ น, นี้ก็ํำให้เรา เชื่อมั่นลงไปในเรื่องกรรมแล้วก็ผลของกรรมแล้วก็กรรมสกตายานนี้ก็จะสืบเนื่องมาจากพราธตรจารูปที่ศรัทธาคือความเชื่อลงไปในพระปัญญาตรัสรู้ที่เรียกว่าโพธิของพระตรรมขเจ้าของพระพุทธเจ้า ในทศฐากคาถ า, าโพธิสัตยานี้ก็เชื่อโดยใจความสำคัญแล้วก็คือเชื่อลงไปในความที่มนุษย์เป็นสัตว์โลกที่ฝึกฝนได้สัตว์มนุษย์เป็นสัตว์โลกที่ฝึกฝนได้ถือว่าก็ได้แบบมาจากพระพุทธเจ้นานั่นเองพัฒนาได้สัตว์โลกเป็น สิ่งเป็นผู้ที่พัฒนาใจไม่ใช่จมอยู่ในความเชื่อเดิมๆเหมือนคนตาบอดจงคนตาบอดความเชื่อความเชื่อในลักษณะนี้ครับมันจะเป็นยูแมนนิสภาษาปัญญาก็จะยูแมนนิสต์รับที่ให้เกียรติแก่มนุษย์ ถ้าถือเอาความก้าวหน้าของมนุษย์เป็นเป้าหมายในการกระทำถ้าถือเอาความก้าวหน้าของมนุษย์เป็นเป้าหมายในการกระทำทีนี้ถ้าเป็นฮิวแมนนิชารีย์ิสุก็จะถือเอามนุษย์ยัตธรรมเป็นเป้าหมายของการกระทำ คือว่าทำไปเพื่อมนุษยธรรมคือว่าเอาแรงเป็นทุนแล้วก็เอาบุญเป็นกำไรทำไปเพื่อมนุษยธรรมบางที่เราทำอะไรไปก็เป็นที่เป็นที่หัวราอยเยาะของคนบางคนบางพวกทำว่าทำไปทำไมไม่เห็นได้อะไรแล้วก็บอกว่าทำไปเพื่อมนุษยธรรม ว่าทำไปเพื่อมนุษย์นั่นเองหรือเอามนุษย์สยัญธรรเป็นเป้าหมายของการกระทำแล้วก็เอาแรงเป็นทุนเอาบุญเป็นกำไรเพระถ้าหวังเอากำไรจากเงินทองเข้าของวัตถุสิ่งของอะไรมันไม่ได้มันไม่ได้เราต้องเอาต้องเอาแรงเป็นทุนเอาบุญเป็นกำไร อย่างว่าอย่างว่ามูนิธิเนี่ยนะครับมูนิธิไหนก็ตามที่ตั้งมุลนิธิก็ได้รับได้รับอุญธรรมได้รับบำรุงมาจากประชาชนรอบด้านเพื่อมีการบอกบุญให้เอาเข้ามูนิธิโดยวัตถุประสงค์ที่เป็นกุศลแต่ทีนี้มุลนิธิก็จะต้องทำอะไรที่เป็นประโยชน์แก่ มนุษยชนเป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ด้วยการจะรึกถึงมนุสยธรรมอันนี้เรียกว่าฮิวแมนนิธารียนิสุมถ้าภาษาแปดญยาก็เรียกฮิวแมนนิธารีย์นิสุแถ้าเป็นฮิวแมนนะิซึมเฉยๆนั่นก็เป็นว่าให้เกียรติแก่มนุษย์แลที่เอาความก้าวหน้าของมนุษย์เป็นเป้าหมายในการจะทำ เชื่อว่ามนุษย์สามารถที่จะก้าวหน้าไปได้ในฐานะของมนุษย์ชาวมนุษย์เราก็ก้าวหน้าไปได้จริงจริงตั้งแต่สมัยกินเนื้อติบสมัยอยู่ถ้ากินเนื้อติบอยู่ถ้ำนุ่งไปไม้นุ่งเปลือกไม้แล้วก็มาจนถึงปัจจุบันนี้ถ้านลองคิดดูว่าต่างกันอย่างไร ต่างกันสักแค่ไหนกับการที่สมัยที่อยูธรรมแล้วก็นุ่งไปไม้นุ่งเปลือกไม้แล้วก็กินเนื้อติบกับเวลานี้ที่เปียนแปลงมาได้อย่างนี้ก็ด้วยิูแมนิสซึมแล้วก็ิูแมนนิทาร์นิสซึมแต่ว่าให้เกียดแก่มนุษย์ถือเอาความก้าวหน้าของมนุษย์เป็นเป้าหมาย แล้วก็ทิอ้เอามนุษยธรรมเป็นเป้าหมายของการกระทำไม่ใช่จมอยู่ในความเชื่อเดิมๆ เ, เหมือนคนตาบอแล้วก็เดินจูง ก, กันไปที่นี่เราลองนึกจูลองพิจรนารณาดูความเชื่อที่ไม่ถูกต้องความเชื่อที่สร้างปัญหาอย่างเช่นว่าความเชื่อที่เกี่ยวกับเรื่องยา ผมเรียนท่านผู้ฟังไว้แล้วตักีีว่าวันเวลาไม่ดีไม่ชั่วในตัวของมันเองไม่มีวันอธิปดีไม่มีวันธงชัยไม่มีวันอุบาตไม่มีวันโลกาวนินาศถ้าจะไม่ก็มนุษย์ทําขึ้นเองทำมนุษย์ทำมนุษย์กดฟุ้งปล่อยแล้เปิดที่สะสมกันไว้ในเวลานี้เท่าที่ ประเทศพราวนาจมีอยู่เมื่อไหรวันไหนวันนั้นก็เป็นวันโลกาวินาศแต่วันใดวันใดที่มนุษย์ชวนกันทําความชั่วเป็นอันมากวันนั้นก็เป็นวันอุปาธถ้าถ้ามนุษย์ช่วยกันทําความดีก็เป็นวันทงใจเป็นวันเป็นวันเป็นวันอธิตดีเป็นวันดี นี่ก็ทางสุภาษิตทางพุทธศาสนาก็บอกไว้ชัดเจนว่านักขัดตังปฏิมาเนตตังอัตโนบะลังอุปัจจคาว่าประโยชน์ประโยชน์ล่วงเลยคนเขาผู้ที่บวถือเรื่อยุงอันที่จริงประโยชน์การได้ประโยชน์นั่นเองเป็นเรื่องดีอยู่ในตัวแล้ว อัตโนะอันทัศนคตต่งกันได้ประโยชน์นั่นเองเป็นเรื่องดีอยู่ในตัวแล้วดวงดาวทั้งหลายจับทาอะไรได้แต่ว่าเริ่ยามจักทาอะไรได้กินกริตสันติตารกาดวงดาวในท้องฟ้าหรือว่าเริ่มยามาต่างอันนี้ก็ข้อความในนักขัตจาชาตถูกที่ว่าไปขอลูกสาวเขา แล้วก็ถึงวันนัดแล้วก็ไม่ไปคนอื่นเขาก็ออกไปวันหลังไปเขาก็บอกว่ามันคา้คนอื่นไปเสร็แล้วมวย เ, เจ้าบาวคนแรกนี่ก็มัวถือเริกอยู่ไม่ได้เริกดีเลยไม่ไปแล้วก็ข้อความในสูตรพันสูตรก็บอกชัดเจนว่าเริกดียามดีขนาดดีอมองคนดีก็อยู่ที่สุจริตกายวาจารใจ ไปสุจริตกายวาจาใจเวลาไหนเวลานั้นก็เป็นเรื่องดียามดีกันหนา ด, ดนะีแต่ถ้าเปิดทุจริตกายวาจาใจเวลาไหนเวลานั้นก็ไม่เป็นเรื่องดีไม่เป็นยามดีไม่เป็นขนาดดีไม่เป็นมงคลดีทันี้เรื่องเกี่ยวกับดวงดีหรือดวงไม่ดี อันนี้ก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับดวงเรืออะไรแต่มันขึ้นอยู่กับการกระทำะพระพุทธภาษิตในสังยตธนิกายสลายยตนาวัตพระใจปีโดเลี่ยมสิบแปดหน้าสามร้อยแปดสิบสี่มีใจความสำคัญอย่างนี้นะครับการทำชั่วเป็นเหตุให้ล่มจมการทำความดีเป็นเหตุให้เพื่องฟู เมื่อทำแล้วจะนั่งออนวอนให้มีผลตรงกันข้ามอย่างไรก็ไม่สำเร็จเกลือมันน้ำมันที่บุคคลเทลงไปในน้ำก็ย่อมจะลอยอยู่เหนือน้ำที่ก้อนหินที่ถูกทิ้งลงไปในน้ำก็ย่อมจะจมน้ำแต่จะอ้อนวอนให้น้ำให้น้ํามันจมหรือว่าให้ก้อนหินลอยอย่างไรก็ไม่สำเร็จ เพราะฉะนั้นคนที่ทำชั่วซึ่งเป็นเหตุให้ลบจบจะไปอ้อนวอนอะไรก็ไม่ได้โดยคนที่ทำความดีซึ่งเป็นเหตุให้เฟื่องฟูใครจะไปอ้อนวอนให้เขาล่มจบหรือว่าตัวแม่ตัวเขาเองขออย่าได้เจริญเลยอย่างนี้ก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าเขาทำเหตุนั่นเป็นเหตุให้เฟื่องฟูแต่เมื่อทำแล้วจะไปอ้อนวอนให้ตรงกันข้ามไม่ได้ ไม่ได้นี่คือหลักของพุทธเถราวาทีนี้ก็ยังมีอีกข้อความในสังยุตตินิยสขาเถรวาทนะครับสขาเถรวาทก็จะมีดอกเล่มสิบห้าหน้าสามรอยแปดสิบเพอเกี่ยวกับสิ่งที่น่าปรารถนากับปฏิปทาเพื่อให้ได้สิ่งอันพึงปรารถนานั้น ว่าผู้ที่ <c oughs> ปรารถนาอายุผู้ที่ปรารถนาอายุความไม่มีโรควันน่ะสวันความเกิดในตระกูลสูงและความพอใจอื่นอื่นอีกอันโอาณก็พึงบำเพ็ญเพื่อให้ได้สิ่งนั้นด้วยความไม่ประมาทปฏิทั้งหลายสันเสริญความไม่ประมาทในบุญกิจิยาคือการบำเพ็ญความดี บัณฑิตผู้ไม่ประมาทย่อมยึดประโยชน์ทั้งสองไว้ได้คือประโยชน์ในปัจจุบันและประโยชน์ในภายหน้าในเพราะยึดประโยชน์ทั้งสองไวตได้นี่แหละท่านจึงเรียกว่าเป็นบัณฑิตอย่างนี้ก็คือเป็นปฏิปทาปฏิปทาเพื่อให้ตายหรือว่าอาริยสาวกผู้ปรารถนาอายุไม่พึงอ่อนวอนเพื่ออายุนันหรือว่า ปัตนาสุขปัตนาวันนะปัตนายศปัถนาส ว, วัสดิ์ก็เช่นเดียวกันเพไม่ถึง่องอนบอนเพื่ออายุเพื่อวันนะแต่ว่าเพื่อดาเนินปฏิปฏัตทาอันเป็นเหตุให้ได้อายุดําเนินปฏิปทาไม่ว่าว่าทำเหตุที่จะเป็นเหตุให้อายุยืนให้อายุเจริญให้อายุตีให้วันนะพองใส ให้ได้สุขให้ได้ยศหรือให้ได้สวัสดิดสสด์แล้วก็พึงทำปฏิปทาที่ให้เป็นเช่นนั้นไม่ใช่ฮอดโบนเอาได้ที่นี้ก็คือการใช้ปัญญาปัญญาปัญญาคือรู้สิ่งทั้งหลายตามที่เป็นจริงว่ามันจริงอย่างไรไม่ไม่ใช่ตามที่ปรากฏ คือว่า SDR SDR ตามที่มันเป็นไม่ใช่ Sd a, a p e r ไม่ใช่ตามที่มันปรากฏ่ถ้าเปิดตามที่มันปรากฏก็คือว่าไม่แน่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นอย่างไรบางทีมันก็เป็นภาพหลอนเป็นภาพหลอกเป็นภาพหลอ น, น, ลอนรกิจหรือหน้าที่ของปัญญาก็คือกำจัดโมหะ ความหลงความหลงผิดแล้วก็เผยให้เห็นสภาวธรรมตามที่เป็นสิ่งโดยคล้ายแสงสว่างแสงสว่างที่ส่องเข้าไปที่ใดมันก็ทำให้ที่นั้นสิ่งต่างๆที่เมื่ออยู่ในความมืดเรามองไม่เห็นเราจะมองเห็นกมมีแสงสว่างสา์เข้าไป เรีกว่ามองเห็นตามที่เป็นจริงมันมีอะไรอยู่เท่าไรในที่นั้นก็จะปรากฏแก่สายตาของเราตามที่มันเป็น อ, อันนี้เป็นสมบัติที่ล้ำค่าของมนุษย์นะครับปัญญานี้เป็นทรัพย์ที่ประเสริฐในตัวคนซึ่งในสัตว์ไม่มีเพราะว่สัตว์มันพัฒนายาก ม, มันก็อยู่เท่าที่มันอยู่ อย่างนกนี่ก็มันอยู่เท่าที่มันอยู่มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วมันก็ทำรังของมันอย่างที่มันเคยทำาตามสัญญาแต่ญาติแต่ว่าพอมีปัญญาแล้วมันก็เป็นทรัพย์ที่ประเสริฐในตัวคนก็ทำให้คนสามารถจะพัฒนาตนแตกต่างไปจากสัญญตว์เดรัจานมากมายในช่างตัวใหญ่กว่าคนหลายเท่าตัว แต่คนก็เอามาอยู่ในบังคับบัญชาได้ใช้งานได้ก็เพราะปัญญาของมนุษย์มันมีอยู่เหนือช้างแล้วก็ปัญญาทำให้คนฐานะตำ่ำกลายเป็นคนฐานะสูงกลายเป็นคนที่มีฐานะสูงขึ้นด้วยอาศัยอำนาจของปัญญา ปัญญาช่วยรักษาคนเอาไว้อาติวาปัญญาเจนังปภาษาสติปัญญาช่วยรักษาคนเอาไปแต่ถ้าไม่มีปัญญาเป็นเครื่องรักษามนุษย์ก็จะเที่ยวไปในโลกมันควายตาบอดไม่รู้จักว่าอะไรเป็นลุ่มเป็นปอเป็นเรียวน้ำเป็นที่อันตรายไม่มีอันตราย ที่สําคัญที่สุดรประการหนึ่งก็คือว่าผู้ประกอบด้วยปัญญาแม้ประสบทุกข์ก็หาความสุขได้อันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากในเรื่องปัญญาที่มีอยู่ในตัวมนุษย์แม้จะประสบทุกข์ก็หาความสุขได้ในทุกนั่นเองอสําหรับถ้าไม่มีปัญญามันก็ทุกข์จนตายว่า อะไรนิดถนึงก็ทุกอะไรนิดหนึงก็ทุกแล้วเก็บมาทุกไปเสียหมดแทบจะทุกอย่างแต่ว่าพอมีปัญญาแล้วก็สามารถจะหาความสุขได้แม้ในเหตุที่น่าจะทุกหรือเมื่อประสบความทุกเพราะว่าปัญญามันเป็นตัวที่จะช่วยแปรสภาพต่างๆ ช่วยทําให้จิตของเราทําให้จิตของเราสามารถที่จะแปลสิ่งต่างๆหรือแปลขยะมูลฝอยให้เป็นปุ๋ยได้หรือว่าเราสุขทุกข์ในชีวิตของเราจะเป็นไปตามที่เราคิดตลอดทั้งวันแล้วเราคิดได้ดีก็ด้วยปัญญาถ้าผู้มีปัญญาแม่ประสบทุกข์ก็ไม่ทิ้งทำ ไม่ไทิ้งทมอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติสำคัญของบัณฑิตผู้มีปัญญาเป็นบัณฑิตแม้ประสบทุกข์ก็ไม่ไทิ้งทมต้องถือธรรมเอาไว้อยู่กับธรรมยืนอยู่กับธรรมภาษิตนวารุกโกลิบัณฑิตอันโนนาาัชหาธิธรรมไม่ไทิ้งทมอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญ ของศรัทธาและปัญญานะครับว่าถ้ามีศรัทธาก็ให้เป็นศรัทธาที่ถูกต้อง อ, อ, อย่าให้เป็นศรัทธาที่ทําลายตัวเองแล้วก็ทําลายสังคมทําลายพักพวกทําลายใกลต่อใก ล, ใกลด้วยศรัทธาที่ไม่ถูกต้องด้วยความเชื่อที่ไม่ถูกต้องแล้วก็มีปัญญา ก็เือนกันให้เป็นสัมมาปัญญาที่พ ร, ร, ร, ร, ร, ระพุทธเจ้าท่านใช้คาว่าสัมมปัญญายะดัตถะบังเทวเมตังยาถาผู้ตังสัมมปัญญายะดัตถะบังมองเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงยาถาผู้ตังตามความเป็นจริงมองเห็นด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงท่านผู้ฟังที่กระลอกับ <alternatives. S 2> สำหรับวันนี้เรื่องสรุปเรื่องศรัทธากับปัญญาซึ่งได้พูดมาในรายการนี้หลายครับก็ควรจะจบลงเพียงเท่านี้วันจันทรหน้าจะเริ่มเรื่องใหม่นะครับจะเป็นเรื่องอะไรก็ค่อยบอกวันจันทร์สำหรับวันนี้ก็ก็ยุติด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับขอความสุขสวัสดีความเจริญ